ผู้หญิงคนหนึ่งเล่าว่าเย็นวันหนึ่งเนี่ยขณะที่ขับรถอยู่แถวชาญเมืองช่วงที่ถนนโล่งๆเนียก็เห็นรถคันหนึ่งนะจอดอยู่ด้านขวามือริมถนนนะแล้วก็ที่แปลคือว่าตรงที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมีแบงค์มีธนบัตรหนึ่งพันบาทเสียบอยู่แล้วติดอยู่กับที่ปัดน้ำฝน นที่แรกคิดว่าเอยจะทำไงดีนะใจนึงมันก็ลาบลอยมาแล้วล่ะเงินพันบาทแต่ว่าก็ตัดสินใจนะไม่หยุดรถนะก็ขับรถเลยไปไม่สนใจนะเงินพันบาทที่ติดอยู่ที่กระจกนะมารู้ภายหลังว่าเนี่ยมันเป็นกับดักนะของ ผูมิชาชีพนะเพราะว่าถ้าเกิดหยุดรถนะไปหยิบเอาแบงก์ก็จะมีปัญหาตามมาภูมิชาชีที่ร อ, อท่าอยู่แล้วก็อาจจะขึ้นรถเลยนะเปิดประตูรถแล้วก็ขับรถของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไปเลยนะหรือมิฉะนั้นก็ปรอกวตัวแล้วก็มาต่อรอดต่อเทียง เพื่อตบรัพนะเจ่ผู้หญิงคนนั้นเดีย๋ยวนี้นะพวกมิจฉาชีพก็มีวิธีการแปลกๆนะแล้วก็ใช้วิธีนี้เยอะด้วยนะซึ่งแสดงว่าคงได้ผลนะนะจึง อ, อ่อยเหยือ่อแบบนี้นี่หลายที่เลยนะบางที่ก็ไม่ได้ใช้ธนบัตรไทยนะใช้เงินดอลลาร์นะร้อยดอลลาร์เนี้ย หรือว่าเงินยูโรเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่ใบเดียวนะหลายใบยนะคิดเป็นเงินไทยก็หลายพันบาทนะอย่างแบงก์ดอลลาร์นี่ก็หนึ่งร้อยดอลลาร์นี่สองสมามใบเลยนะหลายคนที่เห็นนะก็เกิดความโลภอยากได้พออยากได้ฉะนั้นละน ะ, ะกลายเป็นเหยื่อทันทีเลย แทนที่จะได้ทรัพยนะ์้วก็เสียทรัพย์ไปมากมายเกิดเรื่องเกิดราวมิชาชีพเนี่ยเขาก็มีวิธีการต่างๆนะในการที่จะรอให้คนบริสุทธิ์นี่กลายเป็นเหยื่อนะเพื่อที่เขาจะได้หาผลประโยชนนะ์ที่ใช้บ่อยนะเวลานี้ก็คือแกล้ง call center หรือว่ามิชาชีพที่ ส่งข้อความมาล่อเราทางโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือนี่มันเป็นสื่อให้เราติดต่อคนได้ง่ายนะพ่อแม่เพื่อนฝูงครูบาอาจารย์หรือว่าจะเข้าถึงความบันเทิงหนังเพลงก็ง่ายแต่ในอีกด้านนึ่ง ม, มันก็เป็นสือ่อเป็นสะพานให้มิจฉาชีพนี่เข้าถึงตัวเราได้ง่าย ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ในบ้านที่มีกำแพงล้อมแน่นหนาอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องน้ำก็มิจฉาชีพก็เข้าถึงตัวเราได้ไม่เว้นว่ากลางวันหรือกลางคืนนะอยู่บ้านอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเพราะว่าโทรศัพท์มือถือนี่มันเป็นช่องทางให้ผู้มิจฉาชีพเข้าถึงตัวเรานะมาหลอกล่อเรา มาหลอกยังไงบ้างน ะ, ะก็หลอกว่าเนี่ยจะปล่อยเงินกู้บ้างละหรือจะหางานให้ทำบ้างละคนบางคนนี่กาลังร้อนเงินนะพอมีข้อความส่งมาว่าเนี่ยพร้อมจะให้เงินกู้นะดอกเบี้ยต่ำไม่จำกัดวงเงินหรือว่าจะหางานให้ทำงานรายได้ดี วิธีนี้มันก็กระตุ้นให้เกิดความโลภ เ, เ, เกิดความอยากแล้วคนรอนี่พอเกิดความโลภเกิดความอยากแล้วมันก็ลืมตัวได้ง่ายนะเหมือนกับที่ชายลูกโซ่เนี่ยนะาประสบความสำเร็จมากี่ครั้งกี่ครั้งก็สำเร็จนะเพราะว่าล่อเราลออผู้คนด้วยผลตอบแทนนะ จำนวนราคาสูงนะลงทุนไปเท่านี้นะร้อยหนึ่งได้ผลตอบแทนมาเกือบร้อยหรือบางทีเกินร้อยด้วยซ้ำนะหลายคนเนี่ยพอเห็นแบบนี้เข้าเนี่ยตาโตเลยนะความโลภนี่มันเข้ามาครอบงำพอครอบงำแล้วเนี่ยก็ขาดสติปัญญาที่ควรใช้ในการพิจารณาไคร่ตรัวมันก็หายไป นี่แหละเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพนี่สามารถที่จะหลอกเอาเงินของคนซึ่งปกตินะมีความรู้มีปัญญาแต่ที่พาท่าเสียทีก็เพราะความโลภความอยากแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ใช้ความโลภความอยากอย่างเดียวนะบางทีกระตุ้นให้เกิดความกลัวเช่นส่งข้อความมาว่าเนี่ยคุณผัวพันธุ์อยู่กับ คดีฟ้องเงินนะพราบางคนนี่พอรู้ว่าเนี่ยเชื่ อ, องตัวนี้ไปผพัผนคดีฟ้องเงินนี่ตกใจเขาแนะนำให้ทำอะไรก็ทำเนี่ยเช่นกฎหนึ่งกฎสองหรือบางทีก็บอกว่าเนี่ยจ่ายค่าบริการมือถือเนี่ยนะเกินวงเงินละเกินกำหนดละ จะตัดสายโทรศัพท์เนี่ยภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าพอเจอแบบนี้เขานี่ตกใจเลยนะเพราะว่าโทรศัพท์นี่มันเป็นสิ่งสําคัญมากนะถ้าโทรศัพท์ถูกระงับใช้นี่เดือดร้อนก็เลยกูรีกูจอไงทําตามที่เขาบอกทําตามที่เขาแนะนําก็เสร็จเขานะหรือบางทีเขามีการแจ้งเตือนว่ามีการโอนเงินจากบัญชีของคุณ สี่ห้าหมื่นไอเราเห็นก็ตกใจเฮ้ยเราไม่ได้โอนเงินที่ไหนเนี่ยมีใครมาโอนเงินของเราไปตกใจนะกดหนึ่งกดสองติดต่อ call center นะเพื่อแจ้งระ ง, งับนะก็เสร็จแคอยู่เหมือนกันนะที่ใช้ความกลัวนะบางทีก็อ้างว่าเนี่ยแจ้งมาว่าเนี่ยบัตรเครดิตของเราเนี่ยมันมีเงินช้างค้างชำระ นะจะงดใช้บัตรเครดิตและจะงดอนุญาตใช้บัตรเครดิตแเราก็ตกใจนะหลายคนเนี่ยพอตกใจเขาก็กทำตามที่เขาแนะนำก็เหมือนกับเดินเข้าไปนะตกลุมพรางของเขาพวกนี้ใช้ความกลัวนะให้เราเนี่ยขาดสติเพราะฉะนั้นคนเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ เลยตกเป็นเหยื่อของผู้มิจฉาชีพหรือแกงสิบแปดมงกุฎไดง่ายที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ยากอยู่ยากเนี่ยส่วนหนึ่งก็พ่ออย่างนี้แหละแต่ที่อยู่ยากนี่พ่ออะไรนะเพราะว่าการที่เราเนี่ยนะปล่อยให้ความโลภความอยากความกลัวเป็นครอบงำผู้มิจฉาชีพนี่ส่วนใหญ่ก็ทำอะไรเราไม่ได้นะถ้าหากว่าความโลภความกลัว ความตื่นตกใจเนี่ยมันทําอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้พวกมิจฉาชีพหรือว่าพวกสิบแปดมงกุฎนี่มาหลอกเราเอาเปรียบเราเราก็ต้องรู้ทันนะมีความกลัวมีความโลภเกิดขึ้นเราจะไม่มีทันรู้ทันพวกมิจฉาชีพได้เลยนะถ้าเราไม่รู้ทันความกลัวความโลภในใจเรา การรู้ทันความโลภความกลัวหรือความโกรธความตื่นตระหนกนี่เป็นเรื่องสําคัญนะและถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกมิจฉาชีพหลอกนะแต่ถ้าเราไม่รู้ทันความโลภความโกรธความกลัวเราก็หาความสงบสุขได้ยากนะยิ่งเราอยู่ร้อนนอนทุกข์นะแม้จะไม่มีใครมารบกวนเราไม่มีใครจะมาหลอกล่อเรา แต่เราก็ตกเป็นเหยื่อของความโลภความโกรธความกลัวนะและเรากนะ็หาความสุขสงบไม่ได้แลนะ้ไม่ว่าจะมีใครมาหลอกมาล่อเราหรือไม่ก็ตามนี่การรู้ทันนะความโกรธความกลัวความโลภหรืออารมณ์กมกุศลต่างๆเนี่ยนะเป็นสิ่งจำเป็นนะนอกจากการที่เรารู้ข้อมูลนะรู้อุบาย ของผู้มิจฉาชีพนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็นะมีคนบอกกล่าวกันเยอะแล้วรู้อย่างนี้ก็ไม่พอนะเพราะว่ามิจฉาชีพมันก็จะหาทางคิดค้นอุบายใหม่ๆนะมาหลอกล่อเราโดวยวิธีการกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความตื่นตรหนกนี่หลอกทางโทรศัพท์ไม่ได้นะก็เอาแบงก์มาหลอกนะตามท้องถนนเนี่ย อันนี้ก็เป็นวิธีการซึ่งในแง่ของเราซึ่งเป็นคนที่ฟังข้อมูลข่าวสารนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นอุบายตื่นตื่น น, นะแต่พอเราเจอจริงเนี่ยนะมันคนละเรื่องเลยนะพอเราเจอจริงเนี่ย้ความโลภเนี่ยที่เกิดขึ้นหรือความกลัวความตื่นตกใจนี่มันมันก็มากพอที่ทําให้เราเผลอทําให้เราหลงได้ังั้นตอนที่เราฟังข่าวสารนี่ก็เรื่องหนึ่งนะตามที่เราเจอจริงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ เพราะว่าพอเจอจริงเ่านี่สติมันหายไปหมดแล้วก็เลยถูกเขาหลอกอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้